ขอความสุขความเจริญจุงมีแตท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทไลศรีปทุมกำลังนำเสนอสัมมาทิฏฐิสูตรในมัชฌิ ม, มริกายมูลปานาตซึ่งเป็นการอธิบายขยายความของพระเสาริบุตรเถระเป็นสนทนากับพระจำนวนมาก เมือนแสดงข้อความในตอนต้นจากนั้นพระก็ถามมาโดยลำดับท่านจึงได้แสดงตามโครงสร้างของปฏิจจสมุปบาทคือธรรมซึ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทนั้นตามปกติแล้วก็จะมีวิธีแสดงสี่วิธี วิธีหนึ่งก็คือเริ่มมาจากอาวิชชาแล้วก็ไปจบที่ชารามราโะโสกไปเทวทุกขโทมานตุปายาต์ก็หมายความว่าเริ่มจากกิเลสแล้วก็ไปจบที่ทุกข์อีกแนวหนึ่งก็คือเริ่มที่ทุกข์เริ่มที่ชาร า, รามระมะแล้วก็มาจบที่อวิชชา อีกแนวหนึ่งก็คือเริ่มส่งกลางอาจจะเริ่มที่เวทนาก็ได้เริ่มที่ตัณหาก็ได้เริ่มที่อุปาทานก็ได้ตัวอย่างในกรณีนี้จะเห็นว่าเริ่มชี่อาหารก็คือภัดสะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนหรือลงมาข้างล่าง แต่อธิบายว่าทำนองดีกับคนที่ไปตัดหวายในป่าเนี่ยคือบางทีเขาข้ามมาทางปลายก็ต้องการจะตัดหวายไปไปเพื่อเป็นอาหารเนี่ยมันก็ตัดเฉพาะส่วนข้างบนทีนี้ถ้าต้องการจะหวายไปใช้งานอย่างอื่น ก็สาวไปถึงโคนเลยแล้วไปตัดที่โคนหลือจะเข้ามาทางโคนแล้วก็ไปตัดตรงกลางหรือถ้ามาทางโคนแล้วไปตัดที่ปลายก็คือกันคือมากว่ามาตัดถึงปลายตัดที่โคนนั่นแหละแต่ว่าใช้ไหวนั้นทั้งทั้งลำ ก็ความก็เชื่อมโยงถึงกันเพราะว่าเป็นเรื่องกิเลสกรรมบกด้วยกันในข้อต่อไปภิกษุก็เรียนถามท่านเหมือนเดิมว่ายังมีเหตุอย่างอื่นอีกบ้างไหมพระสารีบุตรก็ตอบว่ามีแล้วก็กล่าวว่าด้วยทีอริยาสาวกรู้ชัดวิญญาณ เหตเกิดแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งวิญญาณก็หมายความว่าตัววิญญาณนั้นเป็นเป็นตัวกลางๆนะง ค, คือไม่ดีไม่ชั่วอะไรแต่ว่าสิ่งที่มาปรุงแต่งวิญญาณนั้นจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กลางก็ได้ก็แสดงวิญญาณในรูปของอาเดียสั ตัววิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณตัววิญญาณก็คือวิญญาณในตอนนี้ก็เป็นปฏิสนธิวิญญาณหรือบางคราวอาจจะพูดถึงวิญญาณในขันห้5คือวิถีวิญญาณหรือว่าวิญญาณนักขัแต่ก็ความหมายแล้วก็เป็นเรื่องของจิตนั่นเองเพียงแต่ว่ามันแตกต่างกันเป็นขณะ เพราะความดับแห่งวิญญาณก็คือเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากดับกิเลสเมื่อดับกิเลสได้ไอกิเลสกับกรรมก็ไม่มีให้สร้างเป็นปฏิโ ท, ทีิวิญญาณขึ้นมาเลยวิญญาณก็ดับ แล้วข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความหลบแฝงวิญญาณก็หมายถึงอริยมรรคมีองแปดประการหมายความว่าถ้าอริยาสาวกครูครบชุดอย่างนี้แล้วก็ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความ ศรัทธาเลื่อมใสที่ไม่งอนแง่นไม่คลอนแคนมาสู่พระสธรรมทีนี้ท่านก็บิกฑุก็ถามว่าวิญญาณคืออะไรเล่าเหตุเกิดแห่งวิญญาณคืออะไรเล่าความดับแห่งวิญญาณคืออะไรเล่าข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งวิญญาณคืออะไรเล่าพระเถระก็บอกว่า วิญญาณในที่นี้ท่านพูดถึงวิถีวิญญาณหรือวิญญาณนักนก็บอกว่าวิญญาณก็ได้แก่ความรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมงูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายแล้วก็รู้ทางใจหมายถึงการได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สูดดมได้ลิ้นได้ชิมได้จับต้องในแต่ละวันวิญญาณในที่นี้แปลว่ารู้ แต่ถ้าไปเรียงเป็นสามระดับเรียงเป็นสัญญาเรียงเป็นวิญญาณเรียงเป็นปัญญาตามหลักไวิสุทธิมักวิญญาณตรงนี้ก็จะหมายถึงความรู้แจ้งก็เป็นเรื่องของการเสริมสร้างประสบการณ์ตามภาษาสัมผัสในแต่ละเรื่องนีให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทีนี้ประการต่อไปก็เหตุเกิดแห่งวิญญาณท่านก็บอกว่าเพราะสังขารเกิดเนี่ยวิญญาณถึงเกิดเพราะสังขารดับวิญญาณถึงดับสังขารในที่นี้หมายถึงบุญถึงบาปถึงอนเดชชาก็มาจากช่วงที่เป็นอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารในขณะปัจจัยเกิดวิญญาณเนี่ย หรือว่าพระพุทธประบัติที่ว่ากรรมเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณีตแตกต่างกันแต่คนจะเลวหรือประณีตมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวิญญาณคุณภาพของวิญญาณมันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของกรรมกรรมมันเกิดขึ้นจากปริมาณมากหรือน้อยของอวิชชาซึ่งหมายความมาถ้าอาวิชชามาก ก็หมายความมกิเลสก็มากํำก็เป็นบาปมากคุณภาพวิญญาณก็ำตำทีนี้ถ้าอวิชามีกุศลธรรมมากก็หมายความว่ามีกิเลสน้อยลงไปบุญก็มีพลังในการ ทำให้การคิดการทำการพูดของคนเนี่ยเป็นกุศลมากกว่าอนะกุศลก็เสริมสร้างเป็นคุณภาพของวิญญาณให้มีคุณภาพขึ้นภูมิจิตของคนก็สูงขึ้นพบที่จิตใบอุบัติก็จะสูงขึ้นก็สูงกันไปจนถึงพรหมโลกนั่นแหละ พันสามตัวอย่างนี้จะเป็นเครื่องวัดของการหลายกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออวิชากับสังขารทีนี้ก็ถามว่าในการเกิดเหตุข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแผงวิญญาณก็คืออริยมรรคเป็นองค์แปดประการ สัมมาทิฏฐิหมายถึงปัญญาเห็นชอบในอริยสัจ ท, ทั้ง4ี่สัมมาสังกัปปะก็หมายถึงความดําริชอบโดยการดําริออกจากกามดําริออกจากพยาบาทดําริออกจากความเบียดเบียนสัมมาวาจาก็คือการเจรจาชอบโดยการงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหล สมรตะก็คือการงานชอบหรือประพฤติชอบก็นเอได้แก่เจตนานงดเว้นจากการประทุษร้ายต่อชีวิตทรัพย์สินคู่ครองของบุคคลอื่นสมาชีวะก็คือการงดเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเดบับาดำรงชีวิตโดยสมาชี สมาบยามะก็คือพยายามในการป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นป้องกันบาปที่เกิดเกิดไม่ใช่ขจัดบาปที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เสริมสร้างกุศลให้บังเกิดที่ยังไม่บังเกิดให้บังเกิดขึ้นเสริมสร้างกุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วให้ดํารงอยู่ต่อไปเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นจนถึงจิตสมบูรณ์ด้วยกุศล สมาสติก็คือการตั้งสติเราลึกชอบในกายเวทนาจิตและธรรมเพื่อถ่ายถอนความยินดีความยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายออกไปจนถึงมองเห็นกายเวทนาจิตธรรมว่าสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ก็เรียกว่ากายานุปัสสนาเป็นต้นสมาสมาธิก็คือการเป็นเพียนทางจิตเจริญสมาธิโดยใช้สติสมชัญญาและความเพียรทำจิตให้สงบจากกิเลสไปโดยลำดับจนสามารถสงบนิวรณทั้งหาประการลองอไปได้ก็บรรลุ ฌานไปตามราดับจนถึงรูปฌานที่สี่นั่นก็เป็นสมาสมาธิถึงก็หมายความมารีมักไปองแกล อ, องแปนก็เหตุเกิดของหมดทุกเรื่องนั่นแหละที่ว่ามาแล้วแล้วก็พระเทรซ์ไดงกล่าวว่า เมื่อใดอริษฐาวกรู้ชัดซึ่งวิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุใสได้โดยประการทั้งปวงราคานุใสเป็นต้นนะหมายความมาพวกกิเลสที่มีชื่อต่างๆในที่นี้เรียกว่านุใสตามปกติแล้วก็สงบนอนนิ่งอยู่ในจิตของมนุษย์ ทำนองคล้ายๆกับตะกอนที่นอนอยู่ใต้ก้นภาชนะถ้าภาชนะใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าแม้กระแทกตะกอนมันก็ไปขึ้นมาแต่ถ้าภาชนะไม่ใหญ่ก็แสดงว่าตะกอนมันอยู่ตื้นนะกระทบหน่อยตะกอนถึขึ้น อย่างยกตัวอย่างวัตรกรในแก้วอย่างเงี้ยเราก็ทบแก้วมันก็ขึ้นน่ะแต่ถ้าอยู่ในตุ่มขนาดใหญ่เนี่ยบางทีเขาเหยาะจะไม่ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันใหญ่มากมามันเยอะหมายความมาส่วนที่ดีนี่ยมันมีอยู่เยอะส่วนชั่วก็ขึ้นมาไม่ได้คล้ายๆกระปุภูมิด้านทานโรคมันสูงโรคธรรมดามันทํางานอะไรไม่ได้ อันจะต้องโรคที่แรงจริงๆ จ, ง จ, งจึงจะไปทำลายผูมิด้านฐานของโรคได้จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ท่านก็มาสรุปว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมให้โกรธแครนมาสู่พระสัทธรรมนี้ ทนี้ข้อต่อไปก็กลายเป็นสังขารวาระก็คือสังขารฮะเราจะเห็นว่าวิญญาณเป็นปัใจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัใจจัยเกิดวิญญาณก็ได้แต่ตามปกติแล้วถ้าพูดโดยเหตุด้วยผลแล้วก็คือสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณแต่ทีนี้พอจับคู่เนี่ยมันเหมือนกระไก่กระไข่เอาคู่ใดละ่ะ ถ้าลูกไก่ที่ฟักออกมาก็ถือว่าไข่เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดไก่แต่ถ้าไข่มันออกมาจากท้องของแม่ไก่ก็แสดงว่าไก่ก็เป็นเหตุให้เกิดไข่เพรา ะ, ะนั้นพวกปฏิจจสมบัตงมันก็เหมือนกันแหละก็เป็นกลับไปกลับมากันได้ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยของกันและกันได้ แต่นั่งตั้งก็ถามอีกภาษาริบุตรท่านก็อธิบายต่อไปว่าด้วยเหตุธีระยะสาวกรู้ชัดสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขารและข้อปฏิบัติที่ถึงซึ่งความดับแห่งสังขารด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบมีความเห็นตรง ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่คร่ำแคลนมาสู่พระสัทธรรมนิธิพิสุก็กลับเรียนถามว่าสังขารคืออะไรเหตุเกิดแห่งสังขารคืออะไรความดับแห่งสังขารคืออะไรข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งสังขารคืออะไรพระเทรซก็ตอบว่าสังขารนั้นมีสาม 3. คือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขาร แต่ น, นี้ก็แสดงว่าพูดในกรณีที่วิญญาณเป็นวิญญาณนักขันหรือเป็นวิธีวิญญาณพูดง่ายๆว่าพูดถึงคนที่เกิดมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงสังขารคือบุญคือบาปคือเนชาหมายความว่าพูดในช่วงที่เขาจุติเพื่อถือไปสนฉต ทีนี้พอไปอยู่ในคันมารดามันก็พวกนี้ก็เกิดขึ้นมาโดยลำดับก็ช่วงมันห่างกันนิดหน่อยพวกนี้อยู่ในคันนะฮะพวกนี้อยู่ในคันเราจะลือว่าพวกอายตนะมันเกิดมาในคันตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเกิดมาในคันแล้วตอนอยู่ในคันก็แปดเก้าเดือนเนี่ยแล้วมาเธอก็เริ่มสัมผัสอารมณ์ จะสัมผัสตรงไหนก่อนก็ไม่รู้แต่ถ้าลองดูสังเกตแล้วก็น่าจะทางกายก่อนนะเพราะว่าตาก็มยังไม่ลืมนะหูก็ยังไม่ได้มีเสียงอะไรแต่เราก็ไม่รู้นะคือแม้ด้เคยถามหมอหมอก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันพอจะใช้ประสาทสัมผัสส่วนใดที่รับรู้ก่อนแต่ถ้าพูดถึงกายแล้วดูจะชัดมากเพราะว่ามันเป็นผิวข้างนอกอย่างมีคน หมอก็เคยเล่าเรื่องการทำแทงว่ามันทารุณโหดร้ายยังไงก็มีกล้องเข้าไปดูดซึ่งก็ยังไม่เป็นเด็กเต็มที่นะเด็กก็จะดิ้นหนีก็แสดงว่ากระทบทางกายก่อนด็กนี้ก็ไปจุดแต้มในจุนดใดจุดหนึ่งเขาก็ดูดออกมา คนที่ทําอย่างนี้ก็จะเ จ, จ็จิตใจทาตุรุนหดร้ายมากได้เกิดหลังจากนั้นไปก็โอกาสจะเกิดเป็นคนก็ยิ่งนานแหละทีนี้ในกรณีที่ท่านใช้คำกายจะสังขารตรงนี้หมายถึงลมหายใจเข้าออกแต่ลองสังเกตว่าชีวิตของคนเราถ้าหากว่าลมหายใจเข้าออกมันดับเอย่ยงอื่นก็ดับ ลมหายใจดับวิญญาณดับลมหายใจดับไฟอุ่นดับอายุขาดเรียบร้อยติดกันไปเล ย, ยขนาดเรียกว่าเกือบขนาดเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังแต่ว่าประมองโด ย, รา ย, ร, ายรายละเอียดบางคนละขณะกันมายความว่าหัวใจต้องดับก่อนลมหายใจไม่ใช่หัวใจต้องดับก่อนลมหายใจจึงขาด แล้วก็อายุก็ขาดแล้วไอ้อุน่นนี่มันค่อยค่อยค่อยค่อยดับไปคล้ายๆคนตายใหม่ๆนี่ยังไงศกก็ยังอูดดูว้จิสังขารคือวิตกวิจารคือการนึกการคิดการนึกการคิดการพินิจพิจารณาก่อนจะพูดก่อนจะทำตรงนี้ก็เน้นที่ก่อนจะพูด เเรียกว่าเป็นหน่วยจิต <for> ส <iedereen binary> ังขารแล้วจ like ิตสังขารก็คือสัญญากับเบทธนาที่เราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรแล้วเรารู้จักเพราะเราจำมันไว้และบางอย่างเรารู้จักนอกจากรู้จักแล้วเราเกิดความชอบความชังขึ้นมาด้วยก็แสดงว่าเรามีประสบการณ์ในทางบวกหรือทางลบกับคนคนนั้น ถ้ามีประสบการณ์ในทางไม่ดีเราก็เก็บความรู้สึกไม่ดีต่อคนเหล่านั้นไว้แล้วก็เมื่อเจอเขาเราก็จะรู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าเก็บประสบการณ์ในทางดีไว้รู้สึกถึงพอพอสัมผัสเขาพอเห็นเขาเราก็ดีใจนั่นก็มีสัญญากับมีเวทนาคือหมายความว่าเรารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่ออดีตกับคนเหล่านี้ แล้วเราก็จาไ้แล้วความจำก็เกิดขึ้นมาแล้วก็วินิจฉัยความจำก็เป็นลักษณะของปัญญาระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อมันเป็นประสบการณ์มากๆก็ไม่ใช่ปัญญาระดับจำอย่างเดียวแล้วมันเป็นยาปัญญาที่ระดับรู้แจ้งระดับที่เป็นปัญญาขึ้นเป็นปัญญาหรือเป็นปรัช ญ, ญาหรือเป็นทิฏฐิอะไรก็แล้วแต่จะเรียก หมายความว่าคุณภาพของปัญญาเนี่ยถึงสูงขึ้นทีนี้ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับเนี่ยท่านบอกว่าเพราะวิชาเกิดสังขารถึงเกิดเพราะอวิชาดับสังขารถึงดับความดับแห่งสังขารในที่นี้ก็คือนิโรธนะคือนิโรธมันก็อยู่ที่การดับอวิชา ถ้าวิชายังดับไม่หมดก็ยังไงก็ต้องเกิดอีกวิชาต้องดับหมดแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีกก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็ทั้งกรบอกว่าอริยมรรคมนองค์แปดก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารอย่าที่กล่าวไว้แล้วเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติได้ถึงความดับแผงสังขารทั้งหลาย แต่ท่านก็มาสรุปว่าเมื่อได้แรมิยสาวกรู้ชัดสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขารแล้วข้อไปจิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้เมื่อนั้นเขาจะละราคานุสัยได้ละปฏิคานุสัยได้ถอนอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าเรามีอยู่ได้ละวิชาได้ด้วยประการทั้งปวงยางวิชาให้เกิดขึ้น เป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทีเดียวแล้วก็โดยเหตุเพียงเท่านี้โดยเหตุเพียงเท่านี้คือคื อ, คอที่จริงก็แต่ละข้อนั่นแหละถ้าก็ดับก็ดับไปกันอดเดสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ง่อนแงนไม่ครอนแครนก็เข้าถึงหรือเข้ามาสู่พระสัทธรรมนี้ แล้วก็ต่อไปก็เป็นอวิชชาวาละภิกษุก็กลับเรียนถามเหมือนเดิมท่านก็ตอบว่าด้วยเหตุที่อริยสาวกรู้ชัดอวิชาเหตุเกิดแห่งอวิชาความดับแห่งอวิชาข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งอวิชาด้วยเหตุตรงด้วยเห็นตรงด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละ อริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครนแคลนมาสู่พระสัตวธรรมนี้แล้วก็ภิกษุก็ถามอีกวิชาคืออะไรเล่าเหตุเกิดในวิชาคืออะไรเล่าความบาปวิชาคืออะไรเล่าข้อปฏิวัติถึงความบาปวิชาคืออะไรเล่าปเทระก็กล่าวว่าความไม่รู้ทุก ความไม่รู้เหตุในเหตุเกิดแห่งทุกข์ความไม่รู้ความดับแห่งทุกข์ความไม่รู้ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งทุกนี่แหละคุณเรียกว่าอาวิชชาเพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดเพราะอาสวะดับอวิชชาจึงดับตดีว่นนักไปองค์8ประการคือสมาทิฐิจนถึงสมาสมาชิ้เนี่ยที่กระทำไม่สมบูรณ์น่ยมันเกิดสมาญาณเป็นข้อปฏิบัติที่ถึงซึ่งความดับแห่งอวิชชา แล้วก็กล่าวว่าเมื่อได้แลริยสาวกรู้ชัดอวิชาเหตุเกิดแห่งอวิชาความดับแห่งอวิชาข้อปฏิบัติเรื่องความดับแห่งอวิชาพวกอนุสัยพวกราคานุใสปฏิคาอนุใสทิฏฐานอนุใสมานานุใสนะท่านก็ยกมาแค่สี่ข้อนะก็ที่จริงมีเจ็บ ก็ละถอนถอนอนุสัยคือมานะว่าเรามีอยู่ละวิชาได้โดยประการทั้งปวงยังวิชาคือความรู้ว่าเกิดขึ้นคือหมายความวิชาเกิดแล้ววิชาก็ดับคล้ายๆแสงสว่างเกิดก่อนเนี่ยความมืดจึงดับไปแต่มันก็ต่อกันนะัน เป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันทีเดียวโดยเพียงเท่านี้แหละคุณอริยสาวกชื่อว่ามีความเห็นชอบมีความเห็นตรงประกอบด้วยความศรัทธาเลื่อมใสที่ไม่งอนเงันไม่คลอนแคลนก็มาสู่พระสัทธรรมนี้ภิกษุทั้งหลายก็พากันชื่นชมยินดีในภาสิทธิ์ของพระเถระ และกระเดียดถามปัญหากระท่านสารีบุตรสูงขึ้นไปอีกว่ายังมีเหตุอย่างอื่นอีกบ้างไหมที่จะให้อวิชามีความเห็นถูกต้องจะให้อริยสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอนแครนมาสู่พระสัทธรรมนี้พระสารีบุตรก็ บอกว่าก็มีอยู่คุณคือประเด็นนี้เขาเรียกว่าอาสวะวาระคือวาระแห่งอาสวะคืออย่าลืมว่าอาสวะนี่อวิชามันก็อยู่ในพวกอาสวะแต่ว่ามันมีกาอาสวะภวาสวะวิชาสวะในปฏิจจสมบัตินั้นไม่ได้เรียงอาสวะไว้ แต่เรียงไว้เฉพาะวิชาตัณหากับอุปาทานที่เป็นกิเลสซึ่งหมายความอาธวามก็รวมอยู่ในนี้ในสามคำด้วยกันแต่เมื่อภิกษุท่านเรียนถามมาอย่างนั้นพระเถระก็ตอบว่าก็เหตุที่สาวกรู้ชัดอาศสวะ เอิเกิดแห่งอานสวะความดับแห่งอานสวะข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งอานสวะโดยเพียงเท่านี้แหละคุณอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นชอบมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไมครคลนแคลนมาสู่พระสัทธรรมนี้แต่ท่านก็ถามอานสวะคืออะไร เหตเกิดแห่งอาสวะคืออะไรความดับแห่งอาสวะคืออะไรข้อปฏิบ um ัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งอาสวะคืออะไรพระเถระก็กล่าวว่าอาสวก็มีสามคือกามาสวะเครื่องหมักดองชันดานคือกามภวาอสวะเครื่องหมักดองชันดานคือภพอวิชาอสวะเครื่องหมักดองชันดานคืออวิชา พระวิชาเกิดอาสวะจึงเกิดพระวิชาดับอาสวะจึงดับนี้ก็คือนิโรธนะฮะตรงเนี้ยต้องสามสี่คำเน่ยนะอาเดยมักมีองค์แปดประการคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากรรมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามาสะัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งหมดเนี่ย เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งอาสวะแต่ความลองสังเกตว่าส่วนที่เป็นทุกขัศสตร์เองมันก็ดับด้วยความรู้ในอริยสัจสีส่วนสมุทัยศัสตร์ก็ดับด้วยความรู้ในอริยสัจสีส่วนนิโรธศัตร์ก็เกิดขึ้นได้เพราะความรู้ในอริยสัจสีแล้วก็ ส่วนมรรคเองที่จะเกิดขึ้นมาก็เพราะความรู้ในตัวตัวมรรคนั่นแหละเข้าความก็เหมือนเดิมพระเถระก็กล่าวว่าเมื่อใด้แลริยสาวกรู้ชัดอสวะเหตุเกิดแห่งอาสวะความดับแพงอสวะข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแพงอาสวะเมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยปฏิบันเท่าปฏิคานุใส ถอนอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าเรามีอยู่คือทิฏฐิเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนไย่คิดว่าที่เป็นตัวเป็นตนมานะไปรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นอาจจะคิดว่าเราเลิศ ก, กว่าคนอื่นเราเสมอคนอื่นเราเรกว่าคนอื่นเป็นต้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอาการของมานะ แล้วก็เมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ละอวิชาได้โดยประการทั้งปวงทำวิชาบังเกิดขึ้นเหมือนกับพระอาิตย์เกิดขึ้นแล้วก็กระจัดความมืดในท้องฟ้าให้มันหายไปนั่นเองก็ทําที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันคือหมายความว่าก็ดับทุกได้ในปัจจุบันประเพเพียงเท่านี้แหละอริยาสาวก ชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครอนแครนมาสู่พระสัทธรรมนี้ราษาพระเทราทศจบพิสู่ก็พอใจชอบใจในคำกล่าวของพระเทราเราจะเห็นว่าที่จริงแล้วองค์ธรรมนะพูดถึงองค์ธรรม เป็นองค์ธรรมที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่พระเรียนเน่ยส่วนหนึ่งก็มีในธรรมจันตรีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในธรรมชั้นโทเช่นพวกอสวาอย่างเงี้ยก็อยู่ในธรรมชันโถป ว, วิชาโพสลายนาะสลายตนะก็อยู่ในธรรมจันตรีนั่นแหละ ก็ต้องลงว่ากลายเป็นเรื่องทุกข์คืออะไรอชรามรณะนี่มันเป็นทุกข์อุปาทานขันคือจิตที่ยึดมั่นถือมั่นนะพูดถึงจิตที่ยึดมั่นถือมั่นตัวอุปาทานอยู่ตัวขันตัวขันนั้นไปเป็นทุกข์แต่อุปาทานเนี่ยมันเป็นกิเลสเป็นเหตุแต่ยึดมั่นถือมัน่น ในที่นี้ก็เอามาเฉพาะประเด็นที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกบุคคลไปยึดมั่นถือมันก็คือสังขารร่างกายเนี่ยแหละก็เรียกว่าเป็นอุปาทานสลายยตนาหนึ่งสลายยตนาหนึ่งก็คือเป็นการนับรวมอายตนาภายในภายนอก สนใหญ่จะเป็นอายตนาภายนอกนะแต่ว่าถ้าเราไม่มีอายตนาภายในมันก็จบเหมือนกันก็พูดถึงอายตนาภายในเป็นตัวสัมผัสกับอารมณ์แล้วก็นามคือสิ่งที่เราสัมผัสด้วยใจหรือว่าตัวใจเองแล้วก็วิญญาณก็คือในที่นี้เป็นวิถีวิญญาณเน้นที่วิถีวิญญาณ รวมเป็นหกบทที่ท่านระษาริบุตรว่าคุณคืออะไรตั้งขึ้นเป็นหกบทนะทีนี้ประเด็นสาคัญเนี่ยมาอยู่ที่ว่าพระเถระมองเห็นว่าภิกษุเหล่านั้นมีวุธที่ภาวะจะเรียนรู้ได้ลึกซึ้งขนาดไหนท่านก็นํามาเท่านั้นอย่าลืมว่ากลุ่มธรรมะมันก็เป็นนารยสัตว์อย่างเงี้ยอยู่ในกลุ่มของนริยสัตว แต่ข้อความที่ท่านนำมาเรียงเป็นหมวดหมวดเอาไว้เนี่ยคือถ้าเรามานามาเรียบเรียงมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันก็กลุ่มทุกขอริยสัจก็อยู่ด้วยกันสมุทัยอริยสัจก็อยู่ด้วยกันนิโรธสัจก็อยู่ด้วยกันมารการสัจก็อยู่ด้วยกันก็เป็นหนังสือขนาดใหญ่ทีเดียวที่นชาติหนึ่งเนี่ย ตัณหาหนึ่งเวทนาหนึ่งก็าชาติก็คือความเกิดตัวความเกิดนะฮะไม่ใช่ตัวคนเกิดตัวความเกิดแล้วก็ตัณหาหนึ่งตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาความเสวยอารมณ์กลาง หรือเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็อวิชชาหนึ่งรวมเป็นสี่บทเนี่ยระสาริบุตรถามว่าคืออะไรแล้วก็อาหารอาหาร 1, นะึ่งะอาหารก็มีสี่แต่ว่าท่านพูดเป็นหมวดหมายความมาพบหนึ่งก็คือพบสามจะย่พบสามแต่ว่านับเป็นหนึ่งแล้วก็ผัสสะสะก็ห สังขารสังขารก็สาอสวะอสวก็สมนะรวมเป็นสที่พระสารีบุตรถามว่าคุณคืออะไรแล้วก็มาถึงได้กล่าวไว้แล้วว่าสี่อย่างคืออะไรได้กล่าวไว้แล้วห้าอย่างคืออะไรก็ได้กล่าวไว้แล้วจึงรวมเป็น สิบห้าบทสําหรับสังขารทั้งหมด น, นี่ก็คือแต่ละอย่างเรียกอีกทีหนึ่งก็คือสังขารสังขารก็คือสิ่งที่ผสมกันเข้ามาปรุงแต่งอันนี้ก็เน้นทั้งที่เป็นรูปธรรม ท, ทั้งที่เป็นนามธรรมในส่วนใหญ่ก็เป็นรูปธรรมนะ ท, ทีนี้มีประเด็นที่ พระตถาจารย์ท่านอธิบายขยายความคือวสุนียางที่บอกว่าเป็นวสุที่ยาวแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่วิจิตพิสดารก็พะใจไปดกเล่มนี้่ยังยังเหลืออี ก, อกสองสูตรท่านเนี่ยนะอัตรกถาของสมาธิฐิสูตรกับสติปัฏฐานสูตร ส ต, ติปัฏฐานนันสูตรก็ยาวเยียดเหมือนกันท่านก็ตั้งป ร, ป, รประเด็นว่าให้ทราบความวินิจฉัยในคำสัมมาทิฏฐิตามที่ประสาริบุตรได้กล่าวอย่างนี้ว่าคุณที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิด้วยเหตุที่กี่ประการนะคุณหรือว่าอากุศลคืออะไรล่าคุณทุกข้อ เป็นกเทตุกรารมยตาปุจชาคือคำถามที่ผู้ถามไนี่ต้องการตอบเองก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นถามท่านก่อนเนทีนี้ท้าก็ต่างไปเด็นขึ้นสมมติว่าติต่างว่าพระท่านสามารถตอบได้สามารถตอบได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรก็ดีก็ผ่านไป แต่วันนี้ท่านก็รู้ว่าเขาตอบไม่ได้ก็เรียกว่ากเทตุกมยตาปุชาเพราะว่าคําถามเหล่านั้นคนทั้งหลายพูดถึงสมาธิินั้นแบบไม่เข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีเป็นคนนอกศาสนาก็มีในศาสนาก็มีด้วยได้ฟังตามกันมาเป็นต้นก็มีโดยได้ประจักษ์ด้ยตนเองก็มีเพราะฉะนั้นพระเถระจริงได้ หมายความคําถามของตนสวดมากสวดมากนั้นย้ํากล่าวถึงสองครั้งว่าคุณที่เรียกว่าสมาธิฏฐิสมาทิฏินี่แหละเป็นจุดประสงค์ในที่นี้ส่วนอาจารย์เราอื่นเรียกคําว่าสมาทิฏฐิครั้งเดียวแต่พระสาดีบุตรย้ําก็คล้ายๆกับที่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าสุขเทต่างอธิวัชนัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะได้กลัวบุญเลยเพราะว่าคำว่าบุญบุญนะคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขก็รับสั่งยำ้ำเพราะอีกแหลคำว่าบุญเนี่ยเราก็อาธิบายกันคล้ายๆกับกอะไรเรื่องความดีเรื่องดีเราอาธิบายกันเยอะแต่ไม่เคยชี้ประเด็นว่ายังไงเรียกว่าดีหรือยังไงเรียกว่าไม่ดี ไม่สามารถที่แจ้งในเชิงที่เป็นรูปธรรมได้ทั้นั้นที่พ ร, ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราจะเห็นว่าพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนี่ยการทำดีทำชั่วมันเกิด ข, ขึ้นกับเจตนาเจตนาดีก็ทำดีพูดดีเพราะว่าคิดมาดีเจตนาไม่ดีก็ทำไม่ดีพูดไม่ดีเพราะว่าคิดมาไม่ดี ทีนี้ผลจากขันทําดีหรือไม่ดีเนี่ยในกรณีที่ไม่ดีก็คือเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลอื่นให้เดือดร้อนหรือเบียดเบียนคนทั้งสองฝ่ายให้เดือดร้อนคือทั้งตนเองและคนอื่นอะไรก็ได้กลายเป็นมารดรัฐเลย แต่ในประเด็นตรงนี้ก็อย่าลืมประเด็นที่เป็นค ด, ดีแบบชาวโลกชาวโลกเช่นสมมติว่าเ็าทำศึกสงครามยกทับหยับสึกกันแล้วก็ฆ่าขวายสู้ได้มากเนี่ยคนเรานั่งกลายเป็นวีรชนแต่ถามพระพุทธศาสนาว่าดีหรือไม่ดีพุทธศาสนาพูดเรื่องกรรมเพราะ ผลออกมาเป็นการเบียดเบียนทั้งฝ่ายตนเองและก็ฝ่ายบุคคลอื่นการกระทานั้นก็ไม่ดีแต่ความเป็นสังคมมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมยถึงจุดหนึ่งเพื่อรักษาสังคมส่วนใหญ่เอาไว้ก็ต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยอมทำชั่วรวมทำบาปเพื่อจะรักษาสังคมเอาไว้ ก็โลกจะให้ซื่อทรงเรียบร้อยไปด้วยประการทั้งๆนี่มันคงจะยา ก, ก น, นะคนก็มีฝักมีฝ่ายที่จะแก้ไขปัญหาบางระดับโดยวิธีการที่เอาชีวิตเข้าแลกเป็นเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตกันก็ อ, อย่างคล้ายๆกันเนี่ยทั่วโลกแหละมันขาดทหารขาดตำรวจไม่ได้ เดือขาดคนที่จะบังคับให้คนเป็นไปตามกฎหมายนี่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะให้คนเกิดสำนึกดีงามหมดนี่มันมันยากก็เรียกว่าทำไม่ได้เลยถ้าเอาหมดนะฮะถ้าเอาหมดแล้วก็ทำไม่ได้แต่เราก็ต้องไม่หย่อไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปเสษว่าไม่่า ทีนี้การกระทาอะไรก็าตามที่เกื้อกูลต่อตนเองเกื้อกูลต่อบุคคลอื่นเกื้อกูลต่อคนทั้งสองฝ่ายการกระทานั้นก็เรียกว่าดีที่นี้ก็อีกอหะคือถ้าเราเอาไปเอาเกณฑ์ทางความคิดทางโลกเนี่ย แต่กลายกับพ่อแม่ต้องไปจับสัตว์มาปรุงอาหารในเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวทำบุญเป็นต้นเนี่ยถ้าถามว่าบาปไหมก็บาปแต่ว่าในแง่สังคมละ่ะในแง่สังคมนั้นก็คือทำลายทำลายสัตว์ก็เป็นผิดศีลข้อประนาธิบาตเพราะฉะนั้นศีลก็ผิดไป เราไปเสร็จการผิดศีลไม่ได้แต่เราก็จะไปยืนยันว่าสิ่งนั้นเป็นบุญเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันเป็นบาปเนื่องจากเจตนาที่เป็นเหตุให้ฆ่าเนี่ยมันมาจากโลภะประเด็นนี้จริงๆนิยามยากนะเพราะว่ามันมีมิติอยู่สองมิติหลกักอ่ะคือมิติของธรรมะกับมิติของโลกเรียกว่าคดีโลกคดีธรรม เอ้มองสายโลกนี่ไม่น่าจะถูกพอ ม, มองในแง่ธรรมะปราก็จะไม่ถูกเรื่องบางอย่างเรามองในแง่ธรรมะนี่มันถูกแต่ว่าคติของชาวโลกมองเห็นเช่นนั้นเขาก็ถือว่าโง่นะคล้ายๆกับว่ามีคนมาท้าตีท้าต่อยแล้วคนหนึ่งก็เฉยๆเสียเพื่อนก็ถูกด่านะ เป็นคนขี้ขาดไม่สู้คนที่ก็ด่าไปดา่าผู้หญิงน่นหน้าตัวเมียผู้หญิงก็กล้าหาญนะ <g ill ain> ก็เอามาได้ยังไงเหมือนกันก็ไม่รู้อันนี้ก็เกณฑ์กําหนดที่ดีที่สุดก็คือต้องใช้เกณฑ์ธรรมะเพราะว่ามันมีผลกระทบในปัจจุบันแล้วในการต่อไปตลอดถึงในการต่อๆไปเพื่อนฟังทั้ลาย เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีวิทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูบุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี